เขาเรียกว่าสร้างบุญสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็เรียกสร้างบุญนะสร้างกายสร้างวาจาให้มีนิสัยที่จะสนเสริญพระคุณของพระอริยเจ้าตีนี้มืเรามีนิสัยกายวาจา ต่อไปก็นนิสัยจิตหานิสัยจิตไปนิสัยของพระอิจฉานี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าทำใจเพราะนั้นเราก็ทำใจกันจำไว้เพื่อจะไปแนะนำสั่งสอนใครสักใครเขานิสัยคนเรามีทั้งสองอย่าง ส า, านนสายบุญมีสายบารมีบางคนก็มีแต่ในสัยบุญชอบสวดมนต์ไหว้พระเป็นปัจจุบันเนี่ยเยอะคนที่ชอบสวดม น, นต์ไหว้พระเนี่ยเยอะตามบัดว่าอารามต่างๆเขาก็สวดมนไหว้พระกันบาศกบาติกาประเสริฐสินต่าง แต่คำสิบห้าคำเพราะพระสวดมนไว้่ากกันแต่เขาก็ไม่ค่อยมีเรื่องการทำใจ เ, เราก็ไปเพิ่มนิสัยให้เขารู้จักทำใจขึ้นใจของพระคือก็อทำใจให้มันสงบให้มันมีเวก มีเวกนี่หมายความว่าไม่มีใครมากวนใจเรียกาทำใจให้เป็นให้มันสงบให้มันมีเวกให้มันสงดเหมือนอยู่ในปัจชาเหมือนผีอยู่ในปัจชาเนี่ยมันมีเวกมันสงัดแล้วก็ลองทำใจให้มันสงบมีเวก ส, สงัดขึ้นเรียกว่าโบราณเขาบอกว่า ยิ่งที่เดียวได้นกสองตัวได้ทั้งสวดมนต์ไหว้พระได้ท่านิสัยการทำใจต่อไปเราก็คงจะมีปัญญามีความเข้าใจเป็นการทำใจว่ามีคุณมีประโยชน์ถึงไงคนเรียนคนรู้ถ้าคนไม่รู้จักทา คือเรียนรู้แต่ไม่ทำเนี่ยก็ไม่รู้อนิสงส์ว่าการทำใจเนี่ยมันเป็นสุขยังไงติดตังทันตังถูกคาวะหังทำไมพระเจ้าจึงกล่าวอย่างนั้นการฝึกหัดจิตให้สงบให้สงบให้วิเวกเขเรียกว่าสะสมจิตให้เป็นธรรมะเราจะเห็นว่า พระพุทธเจ้าเรีชื่อว่าเป็นผู้นำของพระพุทธศาสนาพระอริยะสาวกทั้งหลายที่ท่านสำเร็จคุณธรรมไปแล้วท่านพระทําใจเป็นธรรมะคือตัณหาให้มัส ง, งบการสะสมใจให้มัส ง, งบก็ได้ชื่อว่าสะสมอริยทัพย์ ไม่ว่าทรัพย์ของพระอเนจจ่าไม่ใช่ทรัพย์ของมนุษย์หรือว่าทัพย์ของเทวดาอินทร์สมเป็นทรัพย์ของพระอเนจจ่าเพราะนั้นสติก็ดีความรู้สึกที่เรามีอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่ก็ดี๋ะต้องมีปัญญาประกอบขึ้น มีสติแต่ว่าขาดปัญญาบางทีมันก็ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกันทรานั้นเราก็ต้องมีสติมีปัญญาถึงอานิสงส์อานิสงส์นี่ก็เรียกว่าส่วนส่วนที่เราทำได้ก็เรียกว่าบุญบรารมี เราไม่อยากจะได้อานิสงส์ของพระบังเลคนทำกรรมเขายังได้ผลยังได้ผลลัพธ์ของกรรมคนสร้างบุญบา ร, รมีเขาก็จะได้รับอานิสงส์บุญบา ร, รมีเหมือนกันเป็นการยกกระแสจิตอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งท้าพระพุทธศาสนานั้นทรงยกย่องว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกอามิสบูชากับปฏบิบัติบูชาซึ่งเป็นคำยืนยันอยู่แล้วว่าพระธจาเน้นทรงสันเสริญเรื่องการปฏบิบัติบูชา การทำกายทำใจบุคคลที่มันทำกายทำใจอยู่สม่ำเสมอก็เรียกชื่อว่ายกตนพ้นจากโลกโยกตนพ้นจากนิสัยกับขับนิสัยมีลักขับนิสัยทามิน มีสายโวดเที่ยงทาลุนมีสโลภมีสายโกรธมีสายหลงมีสายที่จะทำให้เราขุดเราเกิดตามกฎการภูมิโอ้ยอา น, นิสงส์พูดถึงเรื่องนี้ก็เยอะเราไปพิจนนารณากันเอง ยมนิสัยพ้นจากวัฏฏะคือการหมุนเวียนเรื่องราวของเกิดหรือการตายเพราะว่าการเกิดการตายนี่มันเป็นเรื่องของธรรมดาแต่ว่าในขณะที่เราเกิดเราตายมาแต่ละครั้งนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดา คือมันเป็นเรื่องของความทุกข์แสนสาหัสเหมือนกับคอนตอกตะปูเหมือนกับอารมณ์หรือความทุกข์มันตอกติดใจจึงมีคำกล่าวคำขานที่ให้เรารู้จัก คือความแค้นใจความเสียใจหรือการละทมใจน้อยใจถึงขนาดทั้งขารมีอันเป็นไปตามลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นซึ่งก็มีแต่พวกเราเท่านั้นแหละที่รู้จัก ความทุกข์ใจความแค้นความน้อยใจความเสียใจหรือความทุกข์ในสิ่งที่มีสังขารมีอารมณ์มีจิตเนี่ยจะรู้จักพวกเราแต่พวกที่เขาไม่มีนิสัยมีอริยะธรรมเนี่ยเขาไม่รู้จักแม้แต่พระพุทธองค์เขาจะไม่รู้จัก เขาจะรู้จักแต่สิ่งที่เขาพวกพันอยู่ใกล้ๆนี่หน่งพ่อแม่ลูกเมียการทำมาหากินจะ ต, ตามเป็นาตุยานของมนุษย์ที่ต้องสแสวงหาเลี้ยงชีพบุคคลที่กล่าวนี้เขาเรียกว่า มีลัทธิคือพวกไกลจากนิสัยธรรมเพราะนั้นเร า, เ, ราเนี่ยมีอานิสงส์มีปัญญาได้รู้จักอะไรห ล, ลายอย่างก็ลองคิดทำมาดีๆคิดันแยกยนต์คิดทำมารอบครอบคิดถึงเหตุถึงผล แต่ละคำแต่ละคำหรือแต่ละวรรคแต่ละตอนที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระเจ้าก็ได้คือว่าเป็นผู้ที่ที่นำเรื่องความคิดเช่นเราคิดว่าความดีหรือความชั่วสองคำ เราลองคิดให้ดีความดีเป็นยังไงความชั่วเป็นยังไงลองคิดให้มันลึกๆเขาเรียกว่าคิดแบบพิสดารดูผลลัพธ์ของคนที่ทำดีดูผลลัพธ์ของคนที่มีความชั่วในขณะที่เรามีโอกาสได้คิดได้ดู ในศึกษาในพิจารณาถึงเหตุถึงผลมันรึงจะเกิดเป็นลักษณะปะติปัญญาไม่ใช่มานั่งทำเป็นคนปัญญาอ่อนไม่รู้จักคิดไม่รู้จักเกรงกลัวไม่รู้จักหวาดผวา ไม่รู้จักวิตกกังวลในความดีความชั่วเมื่อเราไม่รู้จักคิดถึงคุณถึงโทษตอนนี้คำกล่าวของพพุทธเจ้าที่กล่าวว่าคนที่ไม่กลัวหรือไม่รู้จักความดีความชั่วเนี่ย เกคนไม่มีฮิลิโอตั ป, ปะหรือไม่มีไม่มีความละอายใจไม่มีความเกรงกลัวต่อบาป ก, กรรมใช่ไหมคำสุภาษิตหรือคำสอนของพระพุทธเจา้าก็จะไม่เกิดเป็นความสะท้อน หรือความพักใจในคาสอนต่างๆนั้นเรื่องของความดีความชั่วเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างเราเคยเห็นคนจนกับคนมีงคนจนเขาเป็นยังไงและคนมีเป็นยังไง เราก็เคยจะได้ยินเคยได้ผ่านสายตาผ่านความรู้สึกหรือบางทีเราก็อาจจะเคยเป็นคนจนหรืออาจจะเคยเป็นคนมีซึ่งมันมีความรู้สึกที่แตกต่างเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของความดีความชั่ว เป็นเรื่องของถ้าเราจะพูดว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์คือเป็นมนุษย์อยู่ดีๆแล้วทำไมจะเกิดเป็นสัตว์ไปได้นือเป็นมนุษย์อย่างเราแต่ว่าอวัยวะต่างๆก็ถูกเปลี่ยนแปลงเป็ น, ป น, ปนตาบอดซะบ้าง หูหนวกสะบ้างเป็นใบซะบ้างหรือว่าแขนงขาพิการสะบ้างหรือว่าเป็นคนวิกลจริตสะบ้างอะไรอย่างเนี้ยความเปลี่ยนแปลงของเรื่องความดีความชั่วเป็นเรื่องที่น่ากลัว เสียงอะไรข อ, อให้เราฟังนี่เรายิ่งยิ่งจะน่ากลัวไปเขาไม่มีโอกาสที่จะมานั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระทำจิตทำใจอย่างเราแต่เวลานี้เขาใช้กรรมอย่างเต็มที่เพราะว่าอยู่ในรูปของสัตว์ เรียกว่าพระธองค์เขาเรียกว่ า, าเสียงต่ําเราไม่กลัวเมื่อเสียงต่ําๆเสียงเหา่าเสียงหอนเสียงสัตว์ต่างๆร้องให้เราได้ยินได้ฟังสารภาพของเสียงสัตว์เราไม่กลวงตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าใจถึง บทของกรรมที่ให้หรือขยายตัวออกมาในรูปของสัตว์ออกมาในรูปของเสียงบางทีแล้วก็อาจจะถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้กับแก้ไขไม่ได้อย่างเรานี่ยยังแก้ไขกันได้ รู้ว่ากรรมก็พยายามลดละรู้ว่าบุญก็พยายามสร้างสมเพื่อจะกำหนดชีวิตให้มันมันเที่ยงขึ้นคือถึงแม้ว่าเราจะไม่สำเร็จทรรมเป็นถึงองค์พระอรหันต์หรือว่าบารรลุธรรมเป็นชาติสุดท้าย แต่เราพอประคับประคองชีวิตเข้าไว้เน้นๆให้มีมีสังขารดีๆหน่อยที่เาเรียกว่าครบอาการสามสิบสองมีสติมีสัมพัทันยะหน่อยก็คือมันอบรมบ่มนิสัยโลกเับแปลว่าให้บทเรียน แต่นี้ใครเกิดขึ้นมาในโลกนี้จะรู้จักบทเรียนแค่ไหนเมืม่มอบามนุษย์หรือสัตว์ทุกกิริยาบทจะอยู่ในความทุกข์ทั้งนั้นแหละทุกเพระความโลภทุกพะความโกรธทุกเพระความหลงทุกเพระความไม่เข้าใจ เขเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยเขาเรียกว่าอัพยากะตาธรรมะคือมันไม่รู้อะไรเลยทําดีก็ยังไม่รู้ว่าเป็นดีทาชั่วก็ไม่รู้ว่าเป็นชั่วเรียกอัพยากะตาธรรมะถ้าเป็นดอกบัวเนี่ยเขาเรียกว่าดอกบัวใต้น้ํา หลับบัวที่อยู่ในดินในขีโครน้วไม่มีนิสัยที่จะรู้อะไรเลยเพราะนั้นคันฝอพระพเจ้าที่เรานำมาปราลบกันในถ้ำกลางในหมู่ในคณะก็เพื่อที่จะ ให้มีความเข้าใจกันก็ไม่ใช่ว่าผู้พูดหรือผู้ผู้ชี้แจงผู้บรรยายจะเป็นพระอรหันต์หรือว่าจะนึกคิดขึ้นมาเองค้นคว้าขึ้นมาเอง ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็นำมาปราลกนำมาสร้างความพอใจไปตามลักษณะของภูมิชั้นปัญญาที่เราพอจะเข้าใจกันได้ธรรมะหมดหนึ่งที่พูพุทธเจ้าทรงบอกว่าเป็นธรรมะที่ดีที่สุด ซึ่งเราเป็นผู้มีสติสัมพัญญะจะต้องมันนระมัดระวังอยู่เสมอก็คือการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นการไม่เบียดเบียนตนกหมายถึงว่าไม่พยายามที่จะสร้างกรรมให้กับชีวิตมากนะัก ไม่พยายามที่จะไปคล้องกับกับคนอื่นมากนะหรือว่าไม่เบียดเบียนตนได้เป็นสิ่งที่ดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่เรากคงจะทําไม่ได้เรื่องที่จะไม่ให้ ไม่เบียดเบียนตนเนี่ยคงจะทำไม่ได้หรือไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คงจะทำไม่ได้เพราะว่าคำกล่าวพระเจ้านั้นท่านกล่าวไว้สูงสุดแต่ว่าของสูงก็เกิดขึ้นจากบุคคลที่มีความเพียรมีโอกาสจะขึ้นของสูงได้ แล้ดอกบัวใต้น้ำเขายังมีสิทธิ์ที่จะพ้นน้ำได้เราจะมีเรื่องราวของการลดละนิสัยรสร้างบา ร, รมีขึ้นบางทีในะขณะที่ธาตุสี่วิญญาณเคลื่อนไหวไปมาก็อดไม่ได้ที่จะเบียดเบียนผู้อื่นแลวเบียดเบียนตน จะาจึงชี้ทานในสิ่งที่ให้มีดีสัยททำกันก็นนคือมันสะสมบารมีมันสะสมปฏิบัติธรรมให้รู้จักนั่งสมาธิให้รู้จักยืนสมาธิให้รู้จักเดินสมาธิให้รู้จักทาจิตทาใจกันแต่ละครั้งละครั้งเพราะว่า แต่ละครั้งที่เราทํากันอยู่เราจะเห็นที่ลักษณะการไม่เบียดเบียนตนก็คือการไม่หากรรมมาให้ตนการไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือไม่ไปคล้องกรรมกับผู้อื่นนี่เราจะเห็นได้ชัดเจนทําอย่างนี้บ่อยๆทําไม่เคยชิน ทำให้มีนิสัยต่อไปก็บารมีเกิกขึ้นถึงเาเรียกว่าจิตของคนนั้นเบาบางกายของคนนั้นเบาบางวาจาของคนนั้นเบาบางหรือจากถนอมตนถึงเขาเรียกว่าเมตตาตนเมตตาผู้อื่น พยายามดูความประพฤติของตนและพยายามที่จะเหินห่างความประพฤติในอันที่จะค่าค้องกรรมกับผู้อื่นขึ้นเขาเรียกคนมีบา ร, รมีสูงเป็นี้เราจะสูงหรือจะต่ำเราจะทำได้หรือไม่ได้ ก็อยู่ที่เราอยู่ที่การมองเห็นกรรมแล้วก็มองเห็นธรรมนี่แหละให้เรามีสติมีปัญญารู้จักคนควา้ารู้จักคิดศิลธรรมทั้งหลายอยู่ที่ตัวของเรา บาปกรรมทั้งหลายอยู่ที่ตัวของเราการฝึกหัดตนเราต้องมีความลาบากมันมีการฝึกเหล่าใดที่ไม่มีความลาบากเมืนว่าจะฝึกเรื่องของโลกเมืนว่าจะฝึกเรื่องของธรรมมันมีเรื่องลาบากนะ ความเมื่อยล้าผ่อนอกอ่อนใจขี้เกียจขี้คลานงงเงาเขานอนสารภาพที่มันจะเกิดเรื่องการฝึกที่ลำบากเพราะว่าสังขารของเราอาศัยเขา เราไม่ใช่สังขารที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเฉยแต่มันเป็นสังขารประกอบไปด้วยวิญญาณมันจึงมีปวดมีเมื่อยมีหิวมีกระหายและมีมหนำซ้ำก็ยังมีอารมณ์เข้ามาเพิ่มเติมอีกมันก็เป็นเรื่องทุกข์หนัก ไหนจะทุกทางกายไหนจะทุกทางจิตเราจะทำลายสังขารทิ้งซะหเหลือแต่จิตเหลือแต่อารมณ์นั้นก็ไปไม่ได้คือเป็นไปไม่ได้คือมันไม่สมบูรณ์บุคคลผู้มีจิต กับอารมณ์ที่ท่องเที่อยู่ในโลกเขาเรียกว่าสัมภเวสีบ้างโอปาติกะบ้างมันก็ไม่สมบูรณ์ด้วยด้วยร่างคือรูปธรรมคือเวทนาไม่สมบูรณ์มันก็ฝึกฝึกไม่รู้เรื่องอาจจะเบื่ออารมณ์ แต่เขาไม่เห็นเบทนากายไม่เห็นไม่เบื่อในกายเพราะนั้นเราฝดกตรงนี้เนี่ยมันพร้อมพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งอารมณ์มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่พุเขาท่านเรียกว่ากิจใหญ่กิดทำกายทำใจเนี่ยมันกิดใหญ่ไม่ใช่อดีเลกกิด ไม่ใชกิจเล็กๆไม่น้อยและไม่ใช่กิจไม่ใช่กิจของสาธุชนไม่ใช่กิจของกัลยาชนแต่มันเป็นกิจของอริยะชนที่พร้อมที่จะบรรญชาคําว่าบรรญชาหมายวาพร้อมที่จะนิ่งเฉยหรือปล่อยวางบรัญชาเนี่ก็แปลว่าปล่อยหรือวาง อันนี้ถ้าเรามานั่งอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางรู้ว่ามันมีทุกข์เรื่องของกายก็ต้องทนรู้ว่ามันมีทุกข์ทางจิตก็ต้องทนงานฝึกกายฝึกอารมณ์ ในเรื่องของความทนเนี่ยมันเป็นลักษณะของก้าวแรกของบุคคลที่ยังไม่ได้สมาธิดีแต่ถ้าสมาธิของเรานี่มันดีแล้วช่ำทองในกระแสจิตที่สามารถจะยกจิตเหนืออารมณ์เหนือกายได้เอามันไปอีกรูปแบบหนึง่ง บุคคลที่ไปถึงตรงนั้นนี่เขาไม่ต้องอ่านที่อดทนแหละแต่เขาจะประกอบไปด้วยสติและปัญญาในการที่จะพิจารณาถึงเรื่องของรูประธรรมนามธรรมมันจะขยายตัวออกมาเป็นเรื่องของโลกของธรรมจนเขาเรียกว่า มิสายโลกนิสัยธรรมที่จะเกิดขึ้นกับเราอีกขั้งหนึ่งจะ ป, ปัญญาที่เกิดขึ้นจากองค์สมาธิแต่เม่ใหม่ๆอย่างนี้มันก็อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ผ่านขั้นแรกก็ไม่เจอขั้นที่สอง ถ้าเราไม่เจอขั้นที่สองมันก็ไม่ถึงขั้นที่สามขั้นที่สามนี่เขาเรียกว่าขั้นหลุดพ้นพูดกันถึงเรื่องขั้นหลุดพ้นไปเลยหลุดพ้นจากการยึดถือปัจฐานในเรื่องของกายของอารมณ์ทั้งสิ้น น, นั่นแหละเขาเรียกหลุดพ้นไป มันอย่างพุทธองค์ของเราหรือส้ะอริจาทั้งหลายท่านไปท่านก็ทำ ม, มาสาหัสสาการไม่ใช่จุกจิก็สำเร็จอราหาันขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติ เป็นขนาดวางเรื่องราวที่เป็นชาดกให้เราได้ศึกษาไปอย่างชัดๆก็คือเรื่องพระเวสสันดรเรื่องพระองค์พระศริทธัตถตอนที่เป็นพระเวสสันดรก็บรรเทากับเรื่องทานซึ่งชื่อว่าพระเวสสันธานมีซึ่งชื่อว่าพระเวสสันดนกรนดนก็มีแต่การให้ อะไรก็ให้ใครมาขออะไรก็ให้จะว่าแต่ทรัพย์สินแต่ลูกภรรยาหรือชีวิตถ้าใครมาข อ, ขอก็ให้ถึงเราทุกคนก็คงจะได้ยินเรื่องราวพระเวสสันดร